จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหัวข้อที่สาสวนดอกไม้คือกามคุณพระพุทธภาษิตปุปผานิเหวะป จ, จินันตังพยาสตะมณสังนรังสุตตังคา ม, มังมโหโควะมัจจุอาทายคัจฉิความว่า มัจจุคือความตายย่อมพัดพาเอาบุคคลผู้มีใจคลองในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกามาคุณห้าอยู่เหมือนห้วงน้ำใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นอธิบายความดอกไม้ในพระคาถานี้ทรงหมายเอากามาคุณห้ามีรูปเป็นต้นเพราะย่อยยวนให้พระมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลวนเวียนอยู่ คนที่รู้โทษของกามาคุณแล้วอยากออกแต่มีเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตรคอยมัดมือและเท้าไวา้ไม่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้รส ถ, ถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกคอยกระตุ้นเร่งเร้าให้อยากเข้าไปในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจำและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผล ที่ว่าเลือกเก็บดอกไม้คือกามาคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้กามมีรูปเป็นต้นแล้วก็หาพอใจในรูปนั้นไปนานสักเท่าไรไม่ใจสัดสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็น่าได้นี่ก็น่าได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้เห็นดอกไม้สะพรั่งดอกนั้นก็น่าเก็บดอกนี้ก็น่าเก็บ หน้าดอมโ ด, ดมชมเชยไปเสียหมดชื่อว่าเป็นผู้หลงไหลอ ย, อยู่ในสวนดอกไม้นั้นนอกจากนี้ใจยังคล้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดข้องในสมบัติต่างๆมีช้างม้าวัวควายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้นบันพรพชิตก็ติดข้องในบริขารมีบาทและจีวรหรือเสนาสนะอันสวยงามเป็นต้นรวมทั้งติดข้องในอาวาสและความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาบและบริวารเป็นต้น อย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจคลองในอารมณ์ต่างๆมัจจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห่วงน้ำลึกคืออบายสี่เหมือนห่วงน้ำธรรมดาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ำพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำมีปลาเป็นต้นพระศาสด า, า, าตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถี ทรงปรารบพระเจ้าวิถูธพระพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ำท่วมสวนคตมีเรื่องย่อดังนี้พระเจ้าวิถูธพระเป็นพระโอรสในพระเจ้าประสเสณที่โกศลกับพระนางวาสภคติยาราชธิดาของท้าวมหานามแห่งสากยวงศ์แต่พระนางประสูตรจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสีรวมความว่าเป็นลูกของหญิงทาสแต่มีพ่อ เป็นเจ้าในสากยวงศ์เรื่องพระเจ้าวิถูถะพะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่สากยวงศ์ทำความเจ็บช้ำแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าเะเสนที่โกศลได้พระนางวาสภกติยามาเป็นพระมเหสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้แต่โดยย่อวันหนึ่งพระเจ้าเปเสนที่โกศลแห่งสาวัตถีประทับยืนที่ปราสาทชั้นบน ทอดพระเนตรไปที่ถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถบินิกะเศรษฐีบ้างบ้านของจุลอาาถบินิกะเศรษฐีบ้างบ้านของนางวิสาขาและนางสุปวาสาบ้างเมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูนิมน พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สเสวยพระกาย า, ารที่พระราชนิเวศเจ็ดวันในวันที่เจดทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษาคืออาหารในวังเป็นนิทิเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบอ่อพิษธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจำในที่แห่งเดียว เพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้าคือต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวยที่บ้านของตนบ้างพระราชาขอให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์พระศาสดาส่งมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนพระราชาทรงอังคาดพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองไม่ได้ส่งมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงกระทาติดต่อกันมา อีกเจ็ดวันพอวันที่8ทรงลืมเนื่องจากไม่ได้ทรงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้จึงไม่มีใครกล้าทำอะไรกว่าพระองค์จะทรงระลึกได้ก็เป็นเวลานานภิกษุกลับไปเสียหลายรูปในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกภิกษุส่วนมากคอยไม่ไหวจึงกลับไปเสียเหลืออยู่จำนวนน้อยต่อมาอีกวันหนึ่งทรงลืมอีกภิกษุกลับไปหมดเหลือแต่พระอานนรูปเดียว เมื่อพระราชาทรงระลึกได้ก็เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นแต่พระอานน์เท่านั้นอยู่เพื่อรักษาความเรื่มใสของตระกูลทรงเห็นอาหารวางเรียงรายอยู่มากมายแต่ไม่มีพระอยู่ฉันวันนั้นได้ทรงอังคาาพระอานนนเพียงรูปเดียวทรงน้อยพระไทยว่าภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอื้อเฟือ้อไม่ได้ทรงรักษาพระราชศรัทธาเลย เมื่ออังคาดพระอานล์เสร็จแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงอาหารไว้สำหรับภิกษุห้าร้อยรูปแต่มีพระอนุนรูปเดียวเท่านั้นอยู่ฉันนอกนั้นไม่ได้อยู่ทำให้ของเหลือมากมายภิกษุสงฆ์ไม่ได้เอื้อเฟือ้อไม่ได้รักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลยพระาศาสดาไม่ได้ตรัสโทษภิกษุสงฆ์แต่ประการใดเพราะทรงรู้ ส่งเข้าพระไทยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่ามหาบ่อพิษพระสงฆ์คงจะไม่คุ้นเคยกับราชสกุลจึงได้กระทําดังนั้นพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสงคุ้นเคยในราชสกุลทรงหาอุบายว่าควรกระทําอย่างไรดีหนอทรงดําริว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจะคุ้นเคย ควรจะขอเจ้าหญิงแห่งสากยาวงศ์มาเป็นพระมเหสีสักองค์หนึ่งจึงทรงแต่งทูตถือพระราชสารไปยังกรุงกบิลพัทขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีฝ่ายทางสากยาวงศ์ถือตนว่าสกุลสูงคือสูงกว่าพร ะ, พระเจ้าเพเสนทิโกศลแต่เวลานั้นแคว้นโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแคว้นสักกะของศากยาวงศ์จะขึ้นกับแคว้นโกศลด้วยซ้ำไป ดังนั้นเรื่องพระเจ้าประสรที่ทูลขอเจ้าหญิงจึงทำความลำบากพระไทยให้แก่พวกสากยะในที่นี้ให้ความหมายว่าต่อจากนั้นพระศาสดาสสดทรงแสดงตระกูลที่มีลักษณะ9ก้าประการซึ่งภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปตรัสเล่าเรื่องเกสวดาบทในอดีตแม้ได้อาหารอันประณีตในพระราชวังของพระเจ้าพรมทัตเมื่อป่วยรักษา เท่าไรก็ไม่หายแต่เมื่อได้ไปอยู่กับสิทธิ์อันเป็นที่คุ้นเคยก็หายวันหายคืนโดยไม่ต้องบริโภคยาอะไรทรงแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนมว่าเป็นรถอันเลิอดอันนี้ทำความลาบากพระไทยให้แก่พวกสักยะครั้นจะไม่ถวายก็เกรงพระราชอำนาจแห่งพระเจ้าโกศนครั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตนจะไปปะปนกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ากว่าพวกตน เมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอสมควรท้ามหานามจึงเสนอที่ประชุมว่าหม่อมชั้นบีทิดายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าวาสพคติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลิศพวกเราสมควรให้นางแก่พระเจ้าเปเสนธิโกศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวาสพคติยาไปถวายพระเจ้าเปเสนธิพระเจ้าเปเสนธิไม่ทรงทราบจึงโปรดปรานมาก พระราชทาสตรีห0 0ให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิถูทพะความจริงก่อนให้ทูต ร, รับพระนางมาพระเจ้าประสิทธิก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ไม่ไวยถูกหลอกคือทรงกำชับพระชาชทูตไปว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่เสวยร่วมกับกษัตริย์เช่นท้ามหานามท้ามหานามไม่ขัดข้องทรงทาทีเป็นเสวยร่วมกับ พระนางวาสะพักติยาให้ราชทูต ด, ดูแต่ไม่ได้สวยจริงคงจะมีแผนให้เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจนสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันใดสมมติว่ามีแผนให้มหาดเล็กวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาทูลว่าไฟไหม้พระราชวังซึ่งจะต้องเลิกสวยในทันทีเพื่อไปดูแลดับไฟแม้พระนามวิทูถะนั้นก็ได้มาโดยฟังมาผิดคือ เมื่อพระกุมารประสูติแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลส่งราชทูตไปทูลขอพระนามแห่งพระกุมารใหม่จากพระไอยิกาคือยายพระเจ้ายายพระราชทานว่าวันละปลาแปลว่าเป็นที่โปรดปรานแต่ราชทูตหูตึงฟังเป็นวิถูถะพระเจ้าประเสนทิก็ทรงพอพระทัยต่อพระนามนั้นต่อมาเมื่อพระชนมายุได้16 วิฑูตภพกุมารเสด็จเยี่ยมกลุงก บ, บินลพัดความจริงพระมารดาพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะเกรงพระราชะโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอิยิกาให้ได้พระนางจึงรีบสรงสารล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิฑูทภพะอย่างเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะทิฏฐิมานะของพวกสากยะมากเหลือเกิน และเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ฆ่าฟันกันตายมากมายเมื่อทราบข่าวว่าวิทูถพะกุ ม, มารจะเสด็จเยี่ยมกลุ่มกบินละพัททางสากยะวงก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไรพวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิทูถะนั้นเป็นทิดาของนางถาสีตัววิทูถะเองแม้จะเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าประสิทิโกศลก็จริงแต่ฝ่ายมารดาวรรณะต่ำ วิธูถภะจึงมิได้เป็นอุพัโตสุชาติคือเกิดดีจากสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและบิดาพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกกษัตริย์ได้จึงจัดแจงส่งพระราชกุมารสากยะที่พระชนมายุน้อยกว่าวิธูทภะออกไปชนบทหมดเป็นการชั่วคราวทั้งนี้เพื่อมิให้ต้องทำความเคารพ บ, บุรแห่งทาสี เมื่อวิธูถภะเสด็จถึงทางกบินลพัดก็ต้อนรับดีพอสมควรพระราชกุมารเที่ยวไหว้คนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนําว่าเป็นตายายลุงป้าน้าอาและพี่เป็นต้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไหว้พระราชกุมารก่อนเมื่อวิธูทภะถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลยวิธูทภะ เก็บเอาความสงสัยไว้ในใจพระองค์ประทับอยู่เพียงสองสามวันก็เสด็จกลับพกเอาความสงสัยติดพระไทยไปด้วยว่าเหตุชนไยนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างชาเย็นเลือเกินขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้นบังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใช้คนหนึ่งกาลังเอาน้าเจือน้านมล้างแผ่นกระดานที่พิทูถพระประทับปากก็พร่ำด่าว่า นี่คือแผ่นกระดานที่วิทูทพะบุตรของนางทาสีนั่งในทหารผู้นั้นเข้าไปถามทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อนๆ เ, เสียงกระซิบกระซาบแผ่วงกว้างออกไปจนรู้กันหมดทั้งกองทัพพระราช ก, กมุมารก็ทรงทราบด้วยเป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกำเนิดอันแท้ จ, จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรธมากอาฆาตพวกสักยะไว้ว่า เวลานี้ขอให้พวกสากยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้าที่เจือด้วยน้ำนมก่อนแต่เมื่อใดทรงได้ราชสมบัติในแคว้นโกศลเมื่อนั้นจะเสด็จกลับไปล้างแคนโดยเอาเลือดในลำคอของพวกสากยะล้างแผ่นกระดานนั้นเมื่อถึงสาวัตถีพวกอมตะได้กลาบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าประสิทธิทรงทราบทรงพิโรธมากรับสั่งให้ถอดพระนางวาสภาคติยา และวิถูทภะออกจากตำแหน่งพระมะเหสีและพระราชะกุมารตามลำดับทรงให้ริบเครื่องบริหารและเครื่องเกียรติยศทั้งปวงพระราชะทานให้เพียงสิ่งของที่ทาตุและทาสีควรจะได้เท่านั้นต่อมาอีกสองสามวันพระศาสดาเสด็จมายัางพระราชนิเวศพระเจ้าเพเสนทิทูนเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสปลอบว่ามหาบอ่อพิษพวกสากยะกระทำไม่สมควรเลย เมื่อจะถวายก็ควรจะถวายพระราชธิดาที่มีชาติเสมอกันจึงควรครู่หนึ่งผ่านไปพระศาสดาจึงตรัสอีกว่าแต่อาตมาภาพใครถวายพระพรว่าพระนางวาสภาัติยานนั้นเป็นธิดาของขตัตยราชได้รับการอภิเสกในพระราช ม, มนเทียนของขตัตยราชฝ่ายวิถูธภากุมารเล่าก็ได้อาศัยขตัตยราชนั้นและระสูตรแล้วมหาบพิษ ตระกูลฝ่ายมารดาไม่สู้จะสำคัญนักสำคัญที่ฝ่ายบิดาแม้บัณฑิตแต่โบราณก็เคยพระราชทานตำแหน่งอครมเหสีแก่หญิงยากจนหาฝืนขายและพระราชกุมารอันประสูติจากคันของสตินั้นก็ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในในครพระราศีพระนามว่ากัตวาหนราชพระราชาทรงสดับกฐา ของพระศาสดาแล้วทรงเชื่อจึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเครื่องเกียรติยศแก่พระนางวาสภกติยาและวิทูทะพะกุมารดังเดิมต่อมาวิทูถะพะกุมารได้ราชสมบัติโดยการช่วยเหลือของทีฆการายณะเสนาบดีทีฆกายรายณะนั้นเป็นหลานของพันธุละเสนาบดีซึ่งพร ะ, พระเจ้าเปเสนทิวางอุบายให้คนของพระองค์่าเสียโดยที่พันธุละไม่ได้มีความผิด แต่มีบางพวกยุยงว่าพันธุระต้องการแย่งราชสมบัติในนครสาบถีพระเจ้าเปเสนธิทรงเชื่อเมื่อพันธุระพร้อมด้วยบุตร32คนตายแล้วพระราชาทรงทราบความจริงในภายหลังทรงโทมนัดมากไม่สบายพระไทยไม่มีความสุขในราชสมบัติทรงประทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่ทีคะการายณนะผู้เป็นหลานของพันธุละเพื่อทดแทนความผิดที่พระองค์ทรงกระทำไป ทีฆาการายนะยังผูกใจเจ็บในพระราชาว่าเป็นผู้ฆ่าลุงของตนคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอวันหนึ่งพระเจ้าเปเสนธิเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาที่นิคมชื่อเมทะลุปะของพวกสากยะทรงให้พักพไว้ใกล้พระอารามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแต่พระองค์เดียวทีาการายณะได้โอกาสจึงมอบเครื่องราชกกุพันธ์ อิสริยยศของกษัตริย์ให้วิทูธพภะแล้วนําพลกลับพระนครสาวัตถีมอบราชสมบัติให้วิทูธพภะครองรวมความว่าทีฆาการายนะกับวิทูธพภะร่วมกันแย่งราชสมบัติฝ่ายวิทูธพภะก็พอพระไทยเพราะต้องการมีอํานาจสมบูรณ์เพื่อล้างแค้นสากยะได้เร็วขึ้นแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าเปรสเซนทิมีพระชนมายุถึง80แล้ว นับว่าอยู่ในวัยที่ชรามากพระเจ้าประส enti เสด็จกลับจากการเฝ้าพระศาสดาไม่ทรงเห็นไพรพ ล, ลมีแต่ม้าตัวหนึ่งกับหญิงรับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั่นทรงทราบความแล้วเสด็จไปยังเมืองราชคฤเพื่อขอกำลังของพระเจ้าอาชาติศัตรูมาปราบพิถูถะเพและกาลายนะแต่เสด็จไปถึงหน้าเมืองราชคฤในค่าวันหนึ่ง ประตูเมืองปิดเสแล้วไม่อาจเสด็จเข้าเมืองได้จึงทรงพักที่หน้าศาลาหน้าเมืองและสิ้นพระชนในคืนนั้นเพราะความหนาวหนึ่งทรงเด็ดเหนื่อยในการเดินทางหนึ่งและเพราะทรงชรามากหนึ่งตอนเช้าเมื่อประตูเปิดแล้วประชาชนชาวราชคฤืดได้เห็นพระศพและฟังเสียงหญิงรับใช้คล่ำครวนว่าราชาผู้เป็นจอมแห่งชาวโกศล จึงนำความนั้นกราบทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าซาศัตรูให้รับพระศพเข้าไปถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติยศฝ่ายพระเจ้าวิทูทะพะได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วอันความแค้นกระตุ้นเตือนอยู่เสมอมิอาจทรงยับยั้งได้จึงเตรียมกรีธาทัพไปย่ำยีพวกสากยะพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสตวโลกเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาศจะมาถึงหมู่พระญาต มีพระพุทธประสงค์จะส่งบำเพ็ญยาตัทธจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติจึงเสด็จไปประทับณนะพรมแดนระหว่างโกศลกับสากยะประทับณใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นหนึ่งทางแดนสากยะถัดมาอีกเล็กน้อยเป็นเขตแดนแคว้นโกศลมีต้นไทรใหญ่ใบหนาร่มครึ้มขึ้นอยู่พระเจ้าวิถุตภะ ยกกลองทัพผ่านมาทางนั้นทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจึงประทับใต้ต้นไม้อันมีใบน้อยในเวลาร้อนถึงป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งนโคนต้นไทรอันมีร่มคลึ้มมีเงาเย็นสนิท ด, ดีทางแดนโกศลเถิดขอถวายพระพรมหาบ่อพิษร่มเงาของพระญาติเย็นดี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 คือจำได้ทั้งความร้ายและความดีที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนด้วยประการชนีพระเจ้าวิถุตภะจึงยกทัพกลับเมืองสาวัตถีแต่ความแค้นในพระไทยยังคงคุกกลุ่นอยู่พระองค์จึงทรงกรีธาทัพไปอีกสองครั้งได้พบพระศาสดาในที่เดียวกันและเสด็จกลับเหมือนครั้งก่อนพอถึงครั้งที่สี่พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพกรรมของพวกสากยะ ที่เคยเอายาพิษโปรยลงในแม่น้ำทำให้สัตว์น้ำตายหมู่เป็นอันมากกรรมนั้นกำลังจะมาให้ผลพระองค์ไม่สามารถต้านทานขัดขวางได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่4พระเจ้าวิถูทพะเสด็จมาถึงพรมแดนนั้นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้ากบินละพัดจับพวกสากยะฆ่าเสียมากมายไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กาลังดื่มนมยังทานโลหิตให้หลั่งไหลแล้วรับสั่งให้เอาโลหิต ในลำคอของพวกสากยะล้างแผ่นกระดานที่เคยประทับนั่งแล้วเสด็จกับสาวถีเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในเวลาค่ำจึงให้ตั้งค่ายพักณที่นั้นพราลของพระองค์เลือกนอนได้ตามใจชอบบางพวกนอนที่หาดทรายในแม่น้ำวงเล็บน้ำลงหาดทรายในแม่น้ำนอนได้สบายแม่น้ำคงคาก็เหมือนกัน บางพวกก็นอนบนบกเหนือริมฝั่งน้ําพอตกดึกน้ําจะท่วมหลากพวกที่นอนบนบกแต่ได้ทํากรรมไว้ร่วมกันมาก็ถูกมดแดงกัดลงไปนอนที่ชายหาดส่วนพวกที่นอนที่ชายหาดก็ถูกมดแดงกัดจึงเปลี่ยนที่นอนขึ้นไปนอนข้างบนมหาเมฆตั้งเขาทางเหนือน้ําฝนตกใหญ่น้ำหลากอย่างรวดเร็วพัดพาเอาพระเจ้าวิถุตภะและบริวาร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 มัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตตินรีแล้วให้จมลงในสมุทรคืออบายสีดุดห่วงน้ำใหญ่หลากมาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระขาถาว่าปุปภานิเหวะปะจินันตังเป็นอาธิมีนยะดังได้พณ น, นามาแล้วแต่ต้นนั่นแลผู้ไม่อิ่มในกามพระพุทธภาษิตปุปภานิเหวะปะจินันตัง พยาสตะมณสังนรังอาทิตตังเยวกาเมสุอันตะโกกุรุเตวสังความว่ามัจจุราชย่อมทำไว้ในอำนาจซึ่งบุคคลผู้มีใจฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณอยู่ผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายมัจจุราชคือความตายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุตุชนทั้งหลายผู้ยังคลองอยู่ในอารมณ์ต่างๆ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 กามเป็นสิ่งที่ละได้ยากในโลกดังพระพุทธภาษิตว่ากามาหิโลเกนะหิสุปหายากาทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลายเพราะกระทาได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทาไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกน้อยมีโรคน้อยมีความกังวล น, น้อย พระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารพนางปฏิปูชิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในดาวดึงสเทวโลกก่อนเทพระบุตรคนหนึ่งชื่อมาราภารีในพบดาวดึงเข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดาหนึ่งพนางในจำนวนนั้นเทพธิดาห้าร้อยขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้ แล้วโยนลงมาให้เทพธิดาอีกห้าอซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกไม้เหล่านั้นประดับเทพพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นเองสรีระของเธอดับลงประหนึ่งเปลวไฟเธอไปเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีและละลึกชาติได้ปรารถนากลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับสามีอีกเมื่อเจริญวัยจึงหมั่นทําบุญให้ทานและอธิษฐานว่าอานุภาพแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไปบังเกิดในสำนักของสามีในดา ว, วดึงสเทวโลกภิกษุทั้งหลายจึงพาการเรียกเธอว่าปฏิปูชิกาคือผู้บูชาสามีใครๆรู้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธามันทำบุญให้ทานบางทีก็นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้เพื่อให้เธอช่วยจัดแจงถวายสงฆ์เธอก็รับทำให้ด้วยความเต็มใจ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 ไปเกิดที่ไหนในเมืองสาวัตถีเธออยู่ที่นั่นนานหรือฉันอยู่ในท้องมารดาสิบเดือนแต่งงานเมื่ออายุ16แล้วได้บุตรสี่คนฉันทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วปรารถนามาเกิดในสำนักของท่านอายุของมนุษย์โดยประมาณมีเท่าใดเทพบระบุถามประมาณร้อยปีเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเธอยือนยันอายุมนุษย์น้อยละเกินพวกมนุษย์ประมาทหรือไม่ประมาทหมันทาบุญให้ทานหรือ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 1,000 ปีคือ 1,000 ปีทิพย์0 0ปีทิพย์นั้นเมื่อเทียบอายุในมนุษย์เท่ากับ36กล้านปีคิดจะว่าอายุของเทพสันดาวดึงคนหนึ่งเท่ากับ36กล้านปีในเมืองมนุษย์มนุษย์อายุน้อยนักไม่ควรประมาทเลยในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปที่บ้านของนางปฏิปูชิกาอย่างเคยเห็นลงฉันยังไม่ได้จัด อาสนะยังไม่ได้ปูน้ำสันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามชาวบ้านทราบความว่านางได้ตายเสียแล้วตั้งแต่ตอนเย็นวันวานภิกษุผู้เป็นปุถุชน ล, ละลึกถึงอุปการะของนางแล้วไม่อาจกลั้นน้าตาไว้ได้ส่วนพระอรหันต์ได้รรมสังเวชแล้วทั้งหมดไปทูลถามพระาศาสดาว่านางปฏิปูชิกาไปเกิดที่ใด พระศาสดาตรัสตอบว่านางไปเกิดในสำนักแห่งสามีของนางที่สวรรค์ชั้นดาวประดึงแล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อภิกษุทั้งหลายถูนว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมมัจจุราชก็ทําเขาไ ว, ว้ในอำนาจเสีย พาเอาสัตว์ผู้ค้ำครวนร่ำไรอยู่ในไปสู่พบของตนดังนี้แล้วตรัดพระคาถาว่าปุภานิเหวะปะจินันตังเป็นอาทิมีนยะดังที่ได้อธิบายมาแล้วแต่ตนนั่นแหละ